นโมตนาบุญนะกับกลุ่มคณะนะพุทธธรรมเคลื่อนนำทองคุณคุณใจนะชื่อนีนะ่ผู้ที่มีอาชีพทำอยู่ประกันชีวิต AIA นะนะก็มาทุกการก็ประทับใจ สถานที่ที่นิดแล้วก็บุคคลที่เข้าฟังการบรรยายธรรมแต่ละครั้งเนี่ยมีความกระตือรือร้นสนใจที่จะฟังธรรมะมจากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเจ้าประสงฆ์แล้วก็ที่เป็นค า, ารวะอนโมโตนาบุญกับผู้ที่จัดรายการเลยนะคุณประจวบ ก็เป็นรายการที่ช่วยพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตให้อยู่ในโลกที่ไม่ปกติอย่างนี้ล ะ, อ, ะอย่างมีความสุขได้ผมเองก็ก็มีหน้าที่ก็มีอาชีพเหมือนกันผมก็เป็นตัวแทน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 เห็นคุณค่าเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราได้ทำเห็นคุณค่าของธรรมะว่ามันดับทุกได้จริงแล้วก็สามารถทำประโยชน์กับบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตของเราเนี่ยศรัทธาตัวนี้มันจะเกิดพลังศรัทธาทำให้เกิดพลัง กะตือรือร้นที่จะทำในส่วนที่เราอยากจะทำที่เป็นประโยชน์ที่มีสาระก็จะมองข้ามอุปสรรคต่างๆการจะทำอะไรก็ตามมก็ย่อมมีอุปสรรคแต่ถ้าเราศรัทธาและมันมีพลังที่จะสามารถข้ามอุปสรรคไปได้โดยที่เราไม่ปล่อยจิตปล่อใจให้คลองคาอยกับอุปสรรคที่เราจะทำ ถ้ามวัวแต่สนใจกับเรื่องอุปสรรคที่เกิดขึ้นว่าทำแล้วจะได้อะไรจะมีประโยชน์ไหมถ้าเกิดปัญหาอุ้มันทํายังไงแล้วก็อยู่แค่อุปสรรคแล้วก็ต้องหยุดทําแล้วก็ไม่ได้ทํามีแต่โครงการถ้าเรารู้จักมองข้ามใช่ป่ายนะการกระทํานี่มันจะง่ายขึ้นข้าวอุปสรรคไปได้แล้วเนือ้อจะรู้ว่าอันนั้นไม่ใช่อุปสรรคเลย มันเป็นความเข้าใจผิดของเราต่างหากทุกอย่างทุกเรื่องแม้แต่การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการทำจิตตภาวนามันไม่มีอุปสรรคเนี่ยก็เลยศรัทธาที่จะทำในส่วนนี้โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมธรรมปฏิบัติไม่ใช่เอาแค่เพียงมาฟังมาคิด แล้ก็สงสัยแล้วก็ถามเก็บไว้เป็นความรู้บันทึกไว้ในสมองมันก็ยังไม่ถึงจิตถึงใจสมองกับจิตนีมันคนละส่วนกันสมองกป็นส่วนรูปประทับมองเห็นได้สัมผัสได้แต่จิตเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าสมองจิตไม่มีตัวไม่มีตนมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่เราสัมผัสรู้ได้ แค่เราเพียงคิดนึกเอาเท่านั้นเราก็ได้แค่บันทึกไวนในสมองความรู้จักสมองมันก็ลืมได้ถ้าความรู้จักจิตก็้าไปสัมผัสเกิดจากการปฏิบัติคือจิตตะภาวนามันจะลึกเข้าไปสู่จิตวิญญาณที่แท้จริงแล้วมันไม่มีวันลืมมันไม่ลืมมันเป็นเรื่องของ ต้นต่อของชีวิตก็คือที่จิตจิตใจและต้นต่อของชีวิตอยู่ที่จิตจิตใจใช่ไหมเขาเรียกว่าชีวิตจิตใจนะถูกแล้วเขาจะกล่ว่าชีวิตจิตใจชีวิตไม่ใช่ที่ร่างกายอย่างเดียวนะจิตใจต่างหากคือตัวชีวิต <c oughs> ถ้าเรามีแต่ร่างกายและมีจิตเหมือนกันแต่เราไม่รู้ถึงต้นต่อของทีตจิตใจจิตใจเลื่อนลอย เราก็มีชีวิตแต่มันไม่มีชีวานะชีวิตชีวามันจะกระตือรือร้ น, นทําอะไรก็สนุกสนุกกับการกระทาทําผิดก็สนุกทําถูกก็สนุกนั่นคือชีวิตชีวาคําว่าทอแท้ทอถอยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยโดยเฉพาะการเจริญสติ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 มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับทุกๆคนเพราะมันสามารถกันและก็แก้ปัญหาได้แ ต, ต่ละพัฒใครมีปัญหาชีวิตนึกวิธีแก้ไขไม่ได้ก็ลองเจริญสติดูมันก็จะหมดปัญหาณปัจจุบันนั้นทันทีเนี่ยเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์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 ฝนตกหนักพายุโซนร้อนเทอร์นาโดลอยเลื่อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเราก็ไม่อยากจะเจอแบบนั้นน่ะแต่ธรรมชาติขอย่อมแสดงปรากฏการณ์เขาเขาก็จะแสดงตัวเขาเองแต่มันสำคัญว่าเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าใคร ได้กระทบกับภัยธรรมชาติอุทกภัยที่ผ่านมาหรือว่าภัยต่างๆเนี่ยอักขีภยัยเราก็จะเกิดการสูญเสียนะในกครได้สูญเสียจากน้ำท่วมบ้างมีไหมครับ อ, อ๋สูญเสียเสียทรัพย์สมบัติบางทีก็เสียหน้าที่การงาน บางทีก็ถึงกัเสียอวัยวะก็มีนะจากอุบัติภัยต่างๆเสียอวัยวะะเสียความรู้สึกเสียหน้าก็มีบางก็เสียนิสัยเรื่องความสูญเสียมันเยอะเห็นไหมความสูญเสียอย่างเดียวไม่เป็นไรมันทําให้ใจเรามันเสียศูนใจเสียศูนย์คือใจไม่ปกติเสียศูนผิดปกติเกิดความเศร้าหมอง ทุกใจนั่นคือจิตที่เสียศูนย์ไปแล้ว เ, เราสูญเสียสิ่งภายนอกซึ่งเราหลีเรียงไม่ได้แต่เราก็รู้ไม่ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ทำให้ใจเราเนี่ยเสียศูนย์ไปด้วยเสียต่องต่อแต่ถ้าใครฝึกจิตรสติอยู่หนึงน่งเือ มีกรรมฐ า, านรักษาใจไว้สติมันจะรู้ทันนะรู้ทันการสูญเสียว่าอ๋อเป็นสิ่งธรรมดาไม่ใช่เราเสียคนเดียวครุฑเขาก็เสียบางทีเสียมากกับเราซะด้วยหมดเนื้อหมดตัวอะไรก็มีแต่เรายังมีอะไรเหลืออยู่อย่างน้อยก็ได้มาคุยกันว่าอ๋อเราสูญเสียไปแล้วแต่เรายังมีร่างกายเราได้เห็นตัวอยู่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 การสูญเสียภายนอกแต่ใจไม่เสียสูญ้วฟื้นฟูนฟนบางทีได้เก็บอะไรกเก่าๆทิ้งไปซะบ้างซึ่งเมืากกว่าเราตัดสินใจไม่ได้เสียดายสิ่งเหล่านั้นพอน้ําท่วมพัดพาไปเออโลกไม่ทิ้งจะได้ว่างๆที่ก็เปลี่ยนมุมเปลี่ยนห้องใหม่ไอ้ที่เราหมกไว้ตั้งนานหาไม่เจอโอ้มาเจอตอนน้ําท่วมโอ้มันไม่ใช่เสียหายนะมันเสียได้เสียได้ ผมว่าดีนะถ้าคนมี ส, สติจะมองนสิ่งที่สูญเสียเป็นสิ่งนี้เออมันไม่ใช่เป็นที่เลวร้ายเลยนะะมันเสียบางอย่างมันได้อย่างอย่างน้อยใจเราก็ได้ได้ทิศได้ใจแล้วเสียแค่ต่อเดียวแล้วก็ยอมเสียก็ เ, เสียอยู่แล้วเอตายไปแล้วก็ออกไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าใจเสียนี่มันคิดอะไรไม่ออกนั่งหมกบุ้นกุ้ น, นคิดโอ้เราแย่กว่าเขาอืก็ดูแต่เราเราก็แย่ครับเราดูเขาสิ บางทีเขาก็แยกกันเรานะในเวลาเกิดความสูญเสียนต่างกลองมองให้ไกลเปิดใจกว้างดูสิ่งรอบๆว่ามันเป็นยังไงคนส่วนมากเวลามีความทุกข์ใจใจไม่ปกติก็จะมองแต่ตัวเองมกมุ่นใน ต, ตัวเองแล้วใครมาปลอบใจก็ไม่เชื่อก็แถมบอกเขาเธอไม่เป็นอย่างฉันเธอไม่รู้หรอกมันปิดเข้าไปอีกเราจะได้ปิดฝาหมอและคว่ําอีกนะอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้พัฒนาเลย รับฟังเอาไว้แต่น้อยการได้ฟังเนี่ยก็เป็นการดึงจิตออกจากอารมณ์ได้เพื่อจะฟังก้ชั่วขณะหนึ่งเปิดแจกว้างรับฟังก็ฟังเอาไว้ไม่เสียหายบางทีได้เงคิดดีท้วยซ้ำไปการสูญเสียก็ทําให้ใจนีไม่เสียสูญถ้าเรามีสติรักษาใจเอาไว้อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถูกกระทําโดยธรรมชาติ อันนี้ถูกกระทําโดยบุคคลนะถูกกระทําโดยบุคคลเนี <c> ่ย <oughs> จริงจริมันไม่ใช่กับตูวคนอื่นทำํำเราเราทําใจเราเองต่างหากแต่เราไม่เข้าใจโดยเธอไปเออคนนน้นมาทําเราคนนี้มาแกล้งเราคนนี้มาติจินนินทาเราการนินทาเนี่เป็นเรื่องธรรมดาไหม <c oughs> มีใครไม่เคยตูกนินทาบ้างเออ มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นโลกธรรมเป็นของคู่โลกนินทากับสารเสือนถ้าเราเราเคยถูกสารเสริญแล้วก็ถูกนินทาเป็นของคู่กันถ้าเราไม่อยากถูกนินทาเราก็อย่าไปยึดติดในคําสารเสือญสินะเราวางอย่างมันมันได้สองอย่างเลยนะถ้าเรายึดสักอย่างแล้วก็เราก็ได้สองอย่างเหมือนกัน ถ้าว่างอย่างเดียวได้สองอย่างเลยถ้าไปยึดติดในสารเสริญนินทามันต้องแน่นอนเพราะชอบคันสารเสริญแล้วใครนินทาไม่ได้ล่ะเห็นไหมเราอยากได้อย่างมาไปทิ้งอีกอย่างมันไม่ได้โอ้สารเสริญก็อย่างนั้นแหละนินทาก็อย่างนั้นแหละมันไม่เอาทั้งอย่างเลยนะมันเลยเป็นกลางอยู่ระหว่างคํานินทาสารเสริญนินทานั่นคือโลกธรรมทุกคนย่อมถูกตำกระแทกกระแทกจิกกระแทกใจให้ยับเยิน เพราะคำยินทาก็หลายคนลมปากของคนนี่มันร้ายแรงกับลมพายุนะอลมพายุนี่มันพัดทํำลายได้บริเวณหนึ่งแต่ลมปากเนี่ย <c oughs> มันทําลายได้ทั้งโลกทั้งประเทศเลยแค่ลมปากนั่นนะมันร้ายแรงมากถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มั่นคงแล้วก็พังพินาศไปเพราะลมปากนจุดอ่อนของคนเราสามารจะตกหลุม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 หมดมุกที่คำนินทานะะหมดมุขอะไรเพราะเราไม่ไปสนใจการ น, นินทามาดูใจเราไอ้ที่เขานินทาเราจริงไหมอ้ามันไม่จริงเราโอ้เขาก็พูดผิดน่าสงสารเขาเนาะเขามาปลักปล้ำคนที่บริสุทธิ์ได้ยังไงน่าสงสารค่นะและอย่างเราจะได้ระวังตัวโอ้ดีแล้วล่ะเขานินทาเราไม่อย่างเขาเตือนเราระวังตัว เราไม่มีโอกาสผิดอย่างนั้นแน่นอนเหมือนเขาเตือนเราให้เรารู้ตัวด้วยคําดินทาเนี่ยเราก็จะไปโกรธทํานทำไมเราก็ไม่โกรธเพราะเขาพูดผิดแต่ถ้าคําดินทานั้นเราดูใจแล้วว่าเออเราเป็นอย่างเขาว่าจริงมันก็ถูกของเขามันเป็นอย่างเขาว่าจริงเราจะไปโกรธเขาทําไมเขาพูดถูกแล้วเราจะได้แก้ไขยอย่างตัวเรา มันก็มีแต่ดีทั้งสองด้านคํานินทาเลยเป็นคําบอกเล่าบอกกล่าวให้เราเระวังตัวให้เราเตรียมตัวให้เราแก้ตัวเราเองโอ้ขอบคุณที่นินทาเรานะถ้าเขาไม่นินทาเราไม่รู้เลยเราเป็นอย่างไรโอ้ขอบคุณมันดูทิจใจเราเห็นจิตเห็นใจที่มันฟูฟูแฟบแฟ่กับคํานินทาถ้ามาดูใจเราเนี่ยมันไม่มันไม่ฟูนะมันไม่แฟบนะมันจะรู้สึกนิดหน่อยกระเพื่อม น, นิดหน่อยดูจิตดูใจเรา นี่มันเป็นธรรมะปฏิบัตินะอ่าอาจจะอย่างคนที่มันทํางานด้วยกับเราคนทำงานด้วยกับเราบางทีมันก็ทําให้ทําให้เราปัป่นปวนเหมือนกันนะเห็นไหมเขาเครียดเราก็เครียดด้วยอืีอ่ยเขาสึกไม่ค่อยสบายใจเขาไม่ค่อยยิ้มแล้วคนรอบข้างเลยปล่อยเครียดด้วยโตไปเป็นอย่างนั้นทําไมเขาคือเขาเราคือเราใครเครียดก็ทุกเอง แล้วก็เป็นปกติอย่าติดโรคเครียดของเขาอย่าความผิดปกติของเขามาลักมาทำลายความเป็นปกติของติดคนใจเรานะมีสติรู้ทันอนี้มาเลืองของเขาไม่จะเรื่องของเรานะมันแบ่งแยกอย่าไปรวมกันถ้ารวมเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องทุกข์วุ่นวายใจไปเขาแล้วพยายามจะไปเปลี่ยนเขามันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเข้าใจเขา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 ควบคุมใจเนี่ยใจมันถูกสิ่งแวดล้อมกระแทกยับเยินเหมือนกันสติรักษาใจไม่ให้ยับเยินนะบางทีเราเกิดปัญญาบางทีนึกสงสารโอชีวิตเรามันก็น้อยนะักอีกไม่กี่ปีเราก็ตายแล้วจะไปทุกข์ทำไมให้เสียเวลาชีวิตเนาะใช้เวลาที่เหลือนี่ยอยู่ยังมีความสุขดีกว่ายิ้มเขาว้ไม่มีความหมายก็ยิ้มอย่างนี้สักว่ายิ่งน้อยทําใ ห, ทให้บรรยากาศรอบค้างเนี่ยมันสดชื่นมันก็ได้บุญนี่สักครับ ต้องจะเปลี่ยนเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนจิตเป็นใจจากร้ายมากลายเป็นดีได้การเจริตสติเนี่ยสามารถเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธได้ดังปาฏิหาริมั้งนะลองลองลองทำดูสักครั้งเนี่ยอาจจะรู้ว่าโอ้มันง่ายมากมันง่ายมันยากเพราะว่าเราไปเชื่ออารมณ์ตัวเองเราขาดสติถ้าเป็นสติดูใจเราสักหน่อยในขนาดนั้นไอความวุ่นวายอยู่ข้างนอกมันก็เรื่องของข้างนอกแต่รู้อยู่ข้างใน ข้างนอกไม่สามารถทําให้ใจวุ่นวายได้ถ้าเรามีสติคอยรักษาใจอยู่ก็ปลอดภัยใจเราก็ปลอดภัยจากสิ่งที่มากระทบไม่กระแทกไม่ถึงใจใจไม่ยับเยินเพรามีสติคุ้มครองใจอยู่นะคานินทานอันนี้ก็เรื่องกับของตัวเราใช่ไหมเราได้เคยเจอทั้งนั้นใช่ไหมแต่บางีอาจจะร้ายแรงกว่านี้หรืออาจจะเบาบางกว่านี้ก็แล้วแต่ วิบากแต่ละคนอ่าแล้วเรื่องของความเจ็บไข้เนี่ยความเจ็บไข้ก็เป็นเรื่องของตัวเราเอะเจ็บท่าน่าร่างกายใครไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยมั้งมีไหเนี่ยเรื่องธรรมดานะความเจ็บป่วยทางกายเราก็รู้เรื่องธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่หลวงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ แต่จเจ็บทีไรเราก็ทุกข์ใจทุกที <c oughs> ความเจ็บเป็นเรื่องของกายแต่ใจล้วก็ทุกทุกครั้งไปที่มันเจ็บใคร ừ, ทุกขเวทนาทางกายก็ทำให้เกิดทุกทรมานทางใจเหมือนกันเนี่ยเพราะขาดสติเป็นกรรมการกั้นจิตกับกายสติเป็นกรรมการกั้นจิตกับกายให้มันรวมกันนะพอใจป่วยเออพอร่างกายป่วยใจก็ป่วยไปด้วย ป่วยทั้งกายป่วยทั้งจิตแล้วจะมีใครช่วยใครถ้าไม่ีสติมันจะเกิดการแยกมีสติรับรู้รับทราบความป่วยไข้ทางกายอย่างเดียวเท่านั้นการที่แยกกระสวนระหว่างจิต ก, กับกายมันก็คัดแย้กันอยู่แล้วมีสติรู้เท่าตันอ๋อเรื่องของกายมันเป็นทุกขเวทนาเป็นธรรมดาในสติมันมีปัญญาละลรับรู้รับทราบไปว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของร่างกาย เวทนาที่เกิดขึ้นก็เรื่องของกายแต่ก่อนกายไม่มีเวทนาแต่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นโอกายมันก็มีเทียมเนี่ ย, ยลองดูด้วยจิตที่มันมันยอมรับสักหน่อยจิตที่ยอมรับคือจิตที่เป็นกลางจิตเป็นกลางเราไม่เข้าใจคํานี้เราพยายามบังคับให้จิตเป็นกลางลองยอมรับสิคนไทยเราเข้าใจคำว่าโอ้ยอมรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจะเรียกว่ายอมรับ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 เพราองกายเยอะเหลือเกินเรามีสติรู้ทัศาทันหน่อยอ๋อเริ่มทุกข์กับเวรยาเริ่มงของกายเนอะไม่เป็นไรแล้วแล้วก็ช่วยช่วยกายมันนะกายเหมือนเด็กอ่อนจะ ต, ต้องคอยช่วยเหลือให้มันกินให้มันนอนให้มันอาบน้าให้มันทายใจต้องดูแล ก, กายเขาเรียกจิตเป็นนายกายเป็นเบานะแล้วใครเป็นผู้ที่ทําให้จิตมันดูแล ก, กายนะั่คือสติปัญญานะ ในเวลาร่างกายป่วยไข้ใจอย่าเป็นทุกข์นะทำใจดีๆเราป่วยเฉพาะร่างกายนะใจไม่ได้ป่วยก็พาร่างกายไปหาหมอกินยารักษาซะเนี่ยสติมันช่วยได้มันแยกกายแยกจิตบางทีร่างกายมันเกิดกระสับกระส่า ย, พยเพราะทุกขเวนามบีบคั้น่มมีเป็นเรื่องธรรมดาจะปดิบตาทรอะไหน ร่างกายก็ต้องถูกบีบคั้นไม่ได้กระสับกระส่ายตัวร้อนไอเนี่ยจามต่างๆธรรมดาแต่ใจเนี่ยไม่ได้กระสับกระส่ายด้วยใจมันไม่ทุกข์มันปกติรับรู้รับทราบเอาไวา้เพราะมันเป็นคนละส่วนกันใจเป็นผู้รู้กายเป็นผู้เป็นเป็นอะไรต่างๆนาน า, นามีสติมันแยกได้สติเนี่ยสามารถ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 แต่จิตไม่ได้อ า, าพาธเป็นเฉพาะร่างกายและเรื่องการป่วยไข้ก็รักษากันไปเป็นเรื่องไม่ทุกข์ทางใจเนี่ยเราสามารถที่จะ ด, ดูแลด้วยจิตใจได้กายไปเรื่องความทุกข์จิต เ, เรื่องความไม่ทุกข์อย่างเดียวเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ใช่ไหมมีใครเกิดมาเพื่อจะทุกข์อย่างเกิดมาเพื่อไม่ทุกข์เนี่ยนี่นถ้าเราฝึกสติเนี่มันมันมีเหตุผลในด้านจิตใจ ทางจิตวิญญาณไม่ใช่เหตุผลตั้งจากสมองจิตมันแบ่งแยกเองวะนี่เป็นเรื่องของกายนะยิ้มอยู่ได้แต่ทราบร่างกายที่ไม่ปกติแต่ใจมันก็ปกติไม่ต้องความตายเหมือนกันนะความตายเนี่ยอยากจะถามว่าใครไม่กลัวตายบ้างก็ไม่อยากถามที่มันกดดันคำถามแบบนี้ ไอ้ไม่ตอบไปเดี๋ยวก็หาว่าเรากลัวจริงๆไอ้ตอบก็เดี๋ยวหาว่าเราอุตลิเราเลยไม่ถามแต่ผมถามดีกว่าเรากลัวตายเราเคยตายไหมอ่ะบาคนยักหน้าเคยเคยเมื่อไหร่ล่ะถ้าเคยคยงจะไม่ ม, มาคุยกันเราก็ไม่ได้เคยตายนะแต่เราไปกลัวตายเราไปกลัวถึงที่เรายังไม่เคย เอ่าไอ้แกล้งตายก็ไม่คิดนะเพราะยังไม่ตายตอนจะเกือบตายนะมีแต่ละคนมีความเกือบตายอยู่เกือบทุกคนะเกือบตายกันผมก็เคยเกือบตายเหมือนกันคิดว่าตายแล้วแต่มันยังไม่ตายเอาแต่ว่าเราเกือบตายยังไม่ตายจริงๆนะอย่าเพิ่งไปกลัวมันนะเพราะเรายังไม่ได้ตายจริงๆไอ้สิ่งที่เรากลัวบางทีมันหลอกให้เราเป็นทุกข์ล่วงหน้าถึงเวลาตายอาจจะไม่ไม่ทุกข์อย่างที่เรากลัวไอ้อย่าไม่ทุกข์อย่างที่เรากลัว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 ก็ยังดีกว่าที่ปล่อยเราอยู่คนเดียวนี่คนขาดสติจะว้าวเวยมากจะเป็นทุกข์มากตอนนั้นแล้วจิตใจจะไม่สงบเนี่ยเราต้องฝึกสติไว้ถ้าคนมีสติเนี่ยจะรักษาจิตให้เป็นปกติได้มันจะไม่หลงตายตายยังมีสติได้ต้องฝึกตรงนี้ไว้ฝึกจิตภาวนาไว้จิตมันจะปกติจะสงบ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 เพราะจิตมันจะไปคว้าเอาสิ่งที่เราเคยทำที่เป็นกุศลเอาไว้นะเนี่ ย, เ, ยเรามีกระเป๋าอยู่สองใบนะใบหนึ่งอกุศลล้วก็ทากุศลล้วก็ท ำ, ทำบุญแล้วก็ทำบาปล้วก็ทำอะไรที่มันมากกว่าสิ่งนั้นก็จะเข้าสู่จิตสุดท้ายได้มากกว่านะ <c oughs> ั้นสินห้าจึงผิดไม่ได้นะ <c oughs> ความผิดแม้แต่นิดเดียวไม่ทำซะเลยดีกว่า ยบาปแม้แต่นี้เดียวไม่ ท, ทําเตัวดีกว่ามันมีผล น, นั้นจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นกับจิตกับใจเราได้ในสิ่งที่ทําอยู่หนึ่งเลีย ง, ยงถ้าคนมีสติเนี่ยจะดึงเอาส่วนที่เป็นฝ่ายกุศลมาสุดจะสิตใจได้ง่ายมากได้วไยมากชํานาญมากจิตสุดท้ายสิบถึงที่สิบนาทีเราอาจจะเห็นผลตรงนั้นก็ได้นะถ้าเราฝึกไว้เนี่ยไม่สูญไม่สูญหาย คนที่ฝึกสติไว้เนืองเนืองเนี่ยมันจะเจอปรากฏการเจะไม่ตื่นเต้นนะจะเป็นปกติธรรมดาเนีย่ยเรื่องมความปกติเป็นเรื่องธรรมดาไปเนี่ยถ้าฝึกไว้เป็นประจำนะเนี่ยโดยที่เราให้ความสำคัญและมีศรัทธามีความเพียรเราอาจจะเกิดทางเห็นธรรมะเกิดทางที่เห็นธรรมได้เห็นธรรมคือเห็นอะไร เห็นความจริงของกายของจิตนี้เป็นมันเป็นไตรลักษณ์ได้ด้วยสติด้วยปัญญามันสามารถปล่อยวางกายวางจิตไดนะ้ในช่วงของจิตสุดท้ายก่อนจะดับแล้วก็ไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดเนะีนะ่ยเป็นปาฏิหาริย์ก่อนปลายที่ทำไปนะซึ่งหลายคนเนี่ยผมเคยเห็นคนที่ปฏิบัติธรรมที่ฝึกภ า, าวนาเสมอๆฝึกปฏิบัติเสมอๆ เ, เนี่ย ก่อนจะตายเนี่ยไม่เคยมีความทุรนทุรายเลยจะนิ่งจะมีความนิ่งแล้วก็ตายไปแบบด้วยใจสงบเกือบทั้งนั้นนอกจากคนที่ปฏิบัติทําไม่จริงหลอกหรอกนะเขนอกว่าปฏิบัติแต่ข้างในนี่พุ้งซ่านมากดังนั้นช่วยไม่ได้ <c oughs> มาฝึกที่ใจแล้วถึงเวลาแล้วมันเป็นได้จริงๆริงสิ่งที่เรากลัวทั้งหมดเนี่ยมันคือแค่ความคิดเท่านั้น สุดท้ายแล้วจิตมันจะคว้าอากุศล ส, ส่วนนี้เอาไว้แล้วมันจะนิ่งก่อนตายบางทีมันวางเลยวางทุกอย่างวางกายวางจิตแล้วก็จิตก็ดับไปไม่ต้องไปเกิดในภพไหนต่อไปสิ้นภพสิ้น ช, า ต, นชาติในช่วงแล้วสุดท้ายก็ถือว่ามีประโยชน์นะเราที่เคยเจอมาเป็นงั้นจริงๆจากคราาูบาอาจารย์ที่ฟังก็เป็งนงั้นจริงๆจะไม่ทุร น, นทุราย มันคนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกจิตไว้เนี่ยกุสอนเข้าไม่ถูกพอไ ม, มีสติชักนำมาก็าไม่ถูกมีแต่ความคิดความคิดมันก็ไปสู่ทุกขติเต น, น, นี่เป็นปฏิหารก่อนตายเราจะรอรุ้นตอนนั้นไหม <laughs> อย่าไปรอรุ้นตอนนั้นนะตอนนี้เรามีโอกาสนะ ถ้าเราเรากลัวตายเมื่อไหร่เราก็ตายทุกทีนะไม่เป็นไรหรอกนะความตายไว้ก่อนแต่เราจะทําตรงนี้ก่อนปัจจุบันเราควรทําอะไรนะเราควรจะใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่ข้างหน้าเนี่ยให้มีสาระสักหน่อยงานก็ทําไปเถอะเราจะทำหน้าที่เราก็ทําไปเถอะแต่เราเพิ่มมาอย่างหนึ่งนะเพิ่มการจิตสติไปอีกอย่างหนึ่งเติม เติมความรู้ตัวเข้าไปอย่างนึงความรู้ตัวก็เริ่มจากปัจจุบันให้เริ่มจากปัจจุบันทุกอย่างที่เราทำอะไรเนี่ยมันต้องเริ่มจากปัจจุบันทั้งนั้นใช่ไหมมันจึงจะเป็นผลถึงอ น, นาคตเริ่มจากปัจจุบันเราจะทำอะไรปัจจุบันละ่ะให้เรารู้ตัวอยู่ตรงนั้นก่อน่อาเพิ่งข้ามไปดูในอนาคตใเพราะการเจริญสติให้เริ่มรู้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละ รู้ก่อนว่ากาลังทําอะไรซึ่งมันทุกคนมันมีอยู่แล้วสติเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่เคยใส่ใจตัวนี้นี่บอกพรฝึกสติในปัจจุบันบางคนก็งงมันจะมันจะทําไม่ได้แม่แบบเอาความตั้งใจง่ายไหมตั้งใจง่ายกว่าครับว่ามีสติมันก็ตัวเดียวกัน <c oughs> ก็ตั้งใจถ้าไม่มีสติมันใจมันตั้งไม่ได้แล้วก็ตั้งใจทําสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ย การตั้งใจเนี่ยมันถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นบาตแห่งการประสบผลสาเร็จตั้งใจทํานะจะทํางานแล้วก็ตั้งใจทําอย่างแรนงานของเราให้ใจอยู่ตรงนี้มืออยู่ตรงนี้ตัวตัวนี้ใจอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งมองถึงผลอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคิด ว, ะวะี่ตกาวแรงตา่างเริ่มตั้งใจตรงนี้กันก็ได้สติเรียบร้อยแล้วปัจจุบันกับสติเป็นสิ่งเดียวกันสติจะเกิดขึ้นเฉพาะปัจจุบันเท่านั้น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 ต่างๆมากมายตรงนี้แหละมันเป็นบทเรียนที่เราต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็ใส่คะแนนจิตตัวเองคะแนนสติมันไม่ได้อยู่กับการทำงานอย่างเดียวหรอกมันจะมีความพิสต์ลรพัดนี่ยนั่นแหละเราสามารถที่จะรับรู้เอาไว้คนที่ไม่เคยดูจิตเนี่ยนะก็ลองสังเกต ด, ดูจิตที่มันรุนแรงก่อนเลคนทุกคนเนี่ยมีจุดอ่อนกับความกระโดใช่ไม ความโกรธไปอารมณ์ที่รุนแรงมากมันชัดเจนมันเผาผานจิตใจให้เหน็ดเหนื่อยกังวนกวายทําให้ใจเราไม่ปกติทําให้ร้อนสังเกตดูสักหน่อยเวลามันเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาดูที่จิตเรามันเห็นได้ชัดเจนคําว่าดูเนี่ยมันก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าก้มลงไปมองหรือเพ่งมันไม่ใช่รู้ทัน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 ก็เริ่มเนี่ยเริ่มจากตรงนเนี้ยเนี่ยแล้วก็ต่อไปเนี่ยอารมณ์หยาบเนี่ยมันเห็นแล้วต่อไปอารมณ์ละเอียดไอ้ความขุ่นเคืองใจความยินดีพอใจเราก็ฝึกที่จะรู้ทันมันซะบ้างให้รู้ทันเลยมันจะเกิดผลอะไรหรือไม่เกิดไม่เป็นไรเราทําหน้าที่รู้ทันในความคิดปกินอากาะคิดต่างๆเนี่ยก็ฝึกที่จะรู้ทันมาคนเราเป็นทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะไม่เห็นความคิด เขาไม่เห <most> ็นความคิดจิตมันก็หลงเข้าไปอยู่ในความคิดเลยก็วนเวียนอยู่ในความคิดอย่างนั้นก็เหน็ดเหนื่อยงานการก็ทำโดยอัตโนมัติแต่ใจก็คิดคิดคิดไม่ได้อยู่กับแรงงานเลยแต่เขาอยู่กับอารมณ์อยู่กับความคิดทั้งหมดเลยแต่ถ้ารู้ทันความคิดไอ้การรู้ทันแล้วประกอบมีสติมันตัดกระแสความคิดตรงนั้นตัดกระแสความคิดด้วยการมารู้ทันความคิดมันก็ขาดไป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 ถ้าเริ่มต้นรู้ใหม่การเริ่มต้นทุกครั้งนะเป็นการมีสติเท่นั้นอยา่าเพื่อเป็นการเริ่มต้นเนี่ยเป็นการที่ไม่พัฒนานั่นแหละเราพัฒนาและเริ่มต้นน่นเป็นการพัฒนาในการปฏิบัตินะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งทิ้งไปเลยเริ่มต้นใหม่เพราะจิตมันก็มีใหม่ตลอดเวลาฝึกรู้ทำจิตตัวเองเวลามันเกิดอารมณ์รุนแรงเช่นความโกรธเช่นความอยากความหลงรู้ไม่ทันไม่เป็นไรหรแล้วก็ค่อยรู้ใหม่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 เพราะนั้นทำเร็วที่เลยเป็นก็เลยเป็นสากลมากไม่ตอนนั้นือนศาสนาพุทธนายก็ทําได้ทั้งนั้นเพราะตัวนี้มีอยู่ในคนทุกคนอยู่แล้วในจิตที่รับรู้รับทราบพวกนี้แหละเนี่ยมันมีประโยชน์ตัวนี้แหละแต่ที่มีปัญหามากนะคนที่ฝึกในยุคปัจจุบันในยุคประจําวันไม่ได้เนี่ยปัญหานที่ยินบ่อยก็คือสติไม่ค่อยเกิดใช่ไหมสติไม่ค่อยเกิดความคิดเกิดเยอะอืแล้วจิต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 ต้องมีรูปแบบในการปฏิบัตินมันตึงจะช่วยเป็นอาหารเสริมให้การใช้กับชีิตปัจจุบันเนี่ยเนี่ยคล่องตัวขึ้นจิตมันอ่อนแอจิตไม่มีกำลังถูกอารมณ์ลักพาไปได้ง่ายใช่คนอ่อนแอเนี่ยไปชักเยอะสู้ใครก็ไม่ได้หรอกต้องฝึกอาไวา้การฝึกในรูปแบบเนี่ยทุกคนก็มีอยู่ร้านรูปแบบของตัวเองลมหายใจการบริกรรม พองยุกก็ทำไปเถอะเป็นรูปแบบรูปแบบแต่รูปแบบเนี่ยเริ่ในการฝึกสติทั้งนั้นอาจจะฝึกสติด้วยการมีการบริกรรมหรือรู้ลมหายใจหรือยกมือเคลื่อนไหวตามแนหวหลวงเทียนอันนี้เป็นการฝึกให้มีจิตมีกำลังทางนั้นแหะแต่สำคัญคือในรูปแบบเนี่ยขอเน้นให้อย่าเพิ่งไปสนใจกับเรื่องของจิตอย่าไปสนใจกับความคิดอย่าไปสนใจเอาเท่าเรื่องเรามีจุดอ่อนที่ความคิดทําให้จิตหมดกําลัง ถูกอารมณ์มันลากไปจะไม่สนใจกับมันสนใจเรื่องรู้เรื่องกายก่อนกายมั น, ม, นมันมันมีมันมีจุดที่มันละเอีย ก, กว่านะรู้เรื่องกายเขาเรียกกายญานุปัสนานสติปัฏฐานเคยได้ยินไหมเออเนี่ยคือการมีสติละเ ล, ลิกรู้ลงไปที่กายซึ่งมันเอาตัวเองล้วนก่อนรู้กายล้วนล้วนอย่าเพิ่ไปยุ่งกับความคิดอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะดูที่กายล้วนว น, นะ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 เมื่อเราดูกายรู้กายรู้สึกไปกับกายเอาตรงนี้ก่อนกายานุปัสสนาทําให้มันชานานทําให้มันเข้มแข็งขั้นหน่อยทําฐานจิตโดยการรู้กายให้มันแน่นแล้วก่อนเรื่องของจิตเนี่ยเรื่องของความคิดเนี่ยมันจะเข้าแถวมันดเองเข้าแถวมาให้เราดูเองรู้กายเดี๋ยวมันก็ต้องเห็นจิตอยู่เดีย๋ยเพราะเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว เราเอาไว้ก่อนเอาไว้จิตเอาไว้ก่อนคิดเอาไว้ก่อนมาลูกายอันอไหนลองดิลองมารู้กายก่อนดิปฏิบัติแล้วจึงจะพบปาฏิหาริย์ต้องมาลองปฏิบัติก่อนหนะน้าที่จะเจอปาฏิหาริย์นั่งสบายๆนะไม่ต้องหลับตาก็ได้ทอดสายตาลงกลับนิดนึงไม่ต้องกม้มหน้าไหน ไหใครไม่มีมือบ้างใครมีมือยกมือขึ้นยกมือนะไหนใครไม่มีนิ้วไหนใครมีนิ้วแล้วนิ้วกระดิกไม่ได้บ้างกระดิกไม่ได้เอาเอามือข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยที่เราถนัดเนี่ยเอาไว้ข้างหลังนะข้างหลัเอ้ยลองแล้วลองมารู้กายแบบแบบปฏิหารนี่ลอ <laughs> ไม่ต้องใช้ความคิด ไม่ต้องใช้กรรมนิกรรมไม่ต้องทำอะไรทอะไรที่มันแปลกๆ แ, แค่รับรู้เวลามือมันกรรมแล้วก็มือมันแบร่รับรู้สองอย่างพอกรรมก็รู้รู้สึกนะไม่ใช่ว่ารู้ว่ากรรมรู้สึกมันมีการเคลื่อนไหวพอแบก็รู้สึกนะลองทาสักพักนึ่งนะพอกรรมก็รู้แบ่ก็รู้ไม่ต้องหลับตานะทอดสายตาลงต่านิดนึงนี ตั้งใจนะรู้อย่าไปเพ่งมันรู้แบบเล่ น, นเวลามัตกรรมก็รู้รู้ทีละหนึ่งเรือ บ, บันแบก็รู้เนี่ยเก็บเกี่ยวความรู้สึกตรงนี้ไปเรื่อยๆทําทสักพักหนึ่งลองทำดูซิอย่าไปห้ามความคิดนะอย่าไปสนใจความคิด เรามารู้กายเคลื่อนไหวล้วนๆเวลากรรมก็รู้ว่ามีอะไรมันขึ้นเคลื่อนไหวๆเวลาแบก็รู้ว่ามีอะไรขึ้นเคลื่อนไหวๆนี่คือการรู้กายที่มันเคลื่อนไหวอย่าไปเพ่งมันทำแบบสบายๆเล่นๆแบบก่อนคลายรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่ร้ายแล้วแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆ่ยยังรู้อยู่นะ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 Yeah. แ บ, บก็รู้เอาทีละหนึ่งพอทุกครั้งให้จบลงที่รู้รู้สึกที่มันกำลังไห ว, ว้ให้รู้เป็นขณะเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นขณะ <Yeah. S 1> อ่า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 ว่าง่าเลยนะให้ทำแล้วก็ทำตาไม่ดื้อเลยเห็นไหมมันยุ่ยยุตรงนี้มันเป็นปฏิหารนะเ <c oughs> พราะเรามีใจตรงกันร้อยคนกลายเป็นหนึ่งเดียวต่างฝ่ายต่างรู้แล้วลองขาดสติดิถ้าขาดสติต่างฝ่ายต่างคิดแบ่งพักแบ่งพวกแยกกันแบ่งสีแล้วก็ตีกันนี่ก็เบียดเบียนกันไม่ใช่สามัคคีนี่การจิตสติเนี่ยมันยอดในความสามัคคีชุมนุมเลย เนี่ยตรงนี้แหละถ้าเราจระสติทําอย่างนี้นะทําต่อไปเรื่อยๆสักพักเนี่ยจะรู้ว่าจิตเรานี่จะเบาสบายจิตที่มันเบาสบายเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับความคิดเนี่ยจิตมันจะเบามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วมันจะเป็นสุขภาพจิตที่ดีด้วยบางคนถึงกับบ้าต้องเอาเท้าเหยียบกับพื้นไว้เพราะเดี๋ยวตัวมันจะลอยก็มีนะเนี่ยบางคนมันเกิดอาการแบบนั้นบางคนเกิดพิติ เนยมีสภาวะมากมาย ก, กับการที่รู้สึกล้วนๆรู้สึกล้วนๆไปกับกายเคลื่อนไหวล้ลวลนๆรู้ไปนานๆเนี่ยเรื่องของความคิดเรื่องของจิตไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเราจะเห็นเราจะเห็นจิตที่มันบริสุทธิ์จิตที่มันรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกอย่างเดียวเข้าถึงความรู้สึกอย่างเดียวถ้ามีความคิดเข้ามาแปลกความนิดเดียวเราก็เห็นมันชัดเจนสิ่งที่เข้ามานิดเดียวก็เห็นชัดเจน เมืคนที่ใส่เสื้อขาวมีจุดดําแค่จุดเดียวเราก็ไม่ได้มองเสื้อขาวเรามองที่จุดดําโอ้มันมีจุดดําชัดเจนมันจิตที่รู้ใชฉใจรู้เฉใจบริสุทธิ์สบายๆเนี่ยเวลามีอะไรแปลกความในความคิดในความสงสัยมันก็จะเห็นชัดไปเองไม่ต้องไปหาดูอ้จิตที่คิดหาดูแล้วจิตมันคิดไปแล้วจิตมันปรุงมาเรียบแล้วไม่ต้องหาดูให้มันผ่านมาให้เราดูไม่ต้องไปหาดูแล้วมันก็จะผ่านมาให้เราดูแล้วก็จะเห็น เขาว่าดูการรับรู้เห็น้เราก็จะเห็ น, เ, นเมื่อเราเห็นปั๊บเราก็ไม่ได้เป็นกับสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการแค่การเคลื่อนไหวง่ายๆคนมีมือแล้วนิ้วกระดิกได้ก็ทำได้ผม่าเคยนั่งทเาเคาะเล่นรู้เล่นๆสบายๆรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่มันก็รู้มากว่ะทำให้ใจเราสบายผ่อนคลายไปตลอดเวลา ข้างนอกเราก็รู้แต่เราไม่ได้ใส่ใจเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องดับทุกข์ของเราเลยอะไรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องดับทุกข์เราเนี่ก็ห่างๆซะบ้างถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็ต้องแบกภาระไว้มากมายถ้าจะเป็นต้องเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องอะไรไม่จะเป็นก็ปล่อยมันผ่านไปซะบ้างอย่าไปสะดุดชีวิตต้องไม่สะดุด <c oughs> อ่านไหนตอบอารมณ์หน่อยดิแต่ไปเป็นา ร, รายการสอบอารมณ์ ไหนใครไม่มีความคิดเลยบ้างเมื่อกี้ยกมือไม่มีความคิดเลยนะยกหรือเกาวะนี่แต่ความรู้สึกไม่มีความคิดอะไรเข้ามาเข้ามาไม่มีนะ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 คนที่ไม่มีความคิดเลยเนี่ยในหนลาที่เรามีสติรู้กายเนี่ยคนที่ไม่มีความคิดเลยนะอันเนี้ยเกิดจากจิตเนี่ยแพ่งแล้วก็ระวังระวังระวังจนเกินไปความรู้สึกมันบล็อกจิตไม่ให้คิดระวังจนเกินไปคนเนี้ยจะ น, นี้ยจะมีความสุขในช่วงระยะหนึ่ง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 ส่วนคนที่เห็นจิตคิดอันนี้ก็เรียกว่าได้ต้นทางของปานิพานนะเขาเรียกว่า ม, ม, มีดวงตาเห็นทางมีโอกาสที่มีจะมีดวงตาเห็นธรรมได้นะได้ต้นทางรานิพานคือเห็นคิดเพราะความคิดเป็นสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตไม่ให้มันเป็นปกติ เป็นแขกที่จรผ่านมาแต่ถ้าสิ่งนั้นมีความคิดผู้ี่เห็นความคิดปัป๊บจิตมันก็ไม่ได้คิดมีแต่ความคิดที่มันคิดแล้วมันก็หยุดหายไปตัปะกะแสได้จิตก็จะเป็นมีความบริสุทธิ์ไม่ปรุงแต่งอะไรเป็นจิตเดิมแ ท, ท้ก็เป็นต้นทางของพระนิพพานแต่ยังไม่ถึงนิพพานแค่ต้นทางมีดวงตาเห็นทาง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 และคนที่หลับไหลไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยท้ากกำลังเกิดเป็นข้างเขาเรียบร้อยแล้วแล้วตายจากข้างคขาจะไปเกิดในสวรรค์เพราะว่าอานิสงส์จากการฟังธรรมในวันนี้เอานี่ในสมัยพุทธกาลเขาว่าอย่างนั้นนะเนี่ยมีพระไปปากกรดทุนโดงในถ้าสวดสาพยายมน ค้างคาวมันห้อยหัวก็ฟังทำเลือดเลินหลับหัวตกลงมาคอหักตายก็ไปเกิดในสวรรค์อดิสนนงในการฟังพระกุญเจ้าสาธยายถำนะแสมความดีด้วยนะคนที่หลับถ้ามีโอกาสขึ้นสวรรค์ได้แต่ขอให้ผ่านภพค้างคาวไปก่อนถ้าไปถูกอินจีอินซีจิตตายก็อาจจะไปตายอย่างอื่นก็ได้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 เราแค่รู้สึกก็พอแล้วจบเรือความรู้สึกเดี๋ยวเพิ่งไปชัดเจนอย่างนั้นมันจะเป็นการเพ่งมันจะเข้าไปอยู่จะลึกเกินไปแค่รู้สึกกระจดรู้สึกกระจกสาตรานนี้มาก่อนจนกว่าจิตมันจะพัฒนาตัวมันและมันก็จะละเอียดในการเห็นสิ่งเหล่านั้นไปเองเรามีสติแต่สมาธิมันก็มากสติจะน้อยสมาธิจะเยอะจะไปจับแล้วจิตเราจะเข้าไปในอารมณ์มากเกินไปการจรรติเนี่ยอารมณ์ที่มา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 ให้รู้สึกตัวบ่อยๆรู้บ่อยรู้ไปเถอะรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วารู้แล้วก็ทิ้งไบ่อยแล้วจิตมันจะมีกําลังตอนนี้มันก็จะไปเห็นความคิดจะไปใช้กับชีวิตประจําวันได้นะเข้าถึงความรู้สึกแท้ๆก่อนแล้วทุกอย่างมันจะมีคําตอบมันจะเปิดเผยใช่ไหเป็นคําตอบคํำเฉลยทั้งหมดเลยนีอันเนี้ยนนสาคัญนะเนี่ยตัวที้เราฝึกในรูปแบบบ้าเนี่ยเราจะได้มีความชำนิชำนาญเนี่ย เนี่ยการมันเป็นปาฏิหารนะสิ่งเหล่านี้มันสามารถเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้เป็นหลงเป็นรู้ได้ปาฏิหารคืออะไรปาฏิหารก็คือการกระทําที่ทําให้บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์ต้องมีการกระทําจึงจะบังเกิดผลเป็นอัศจรรย์ถ้าไม่มีการกระทำเนี่ยมันเกิดผลไม่ได้มันเป็นแค่ความคิด ต้องมีการกระทํามันถึงจะมันเกิดผลเป็นอัศจรรย์นี่คือปาฏิหาริย์ผู้เจ้าแบ่งออกเป็นสามอย่างปาฏิหาริย์เนี่ยอย่างที่หนึ่งก็คืออิทธิปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์หเหาะเฮินเดรากาศมุดน้ําดำดินหูทิพตาที่นี่เราแสดงฤทธิ์เป็นอัศจรรย์พระโมคขลาสมัยก่อนเนะฮะ ทั้งกอเหาะเคินอากาศได้อย่างที่่องก็คืออาเทศนาปาฏิหารคือการทายจิตทายใจได้เป็นอัตจันร์เดี๋ยวนี้ก็มีทายจิตใจว่าไหนกางหลงไปแล้วนะคนนี้กำลังคิดอะไรคนนี้รู้ตัวหรือหลงลืมตัวเรียกว่าเป็นปาฏิหารเรีว่าอาเทศนาปาฏิหารเป็นอัตจรรร์อันที่สามก็คือ อนุศาสนีปาฏิหารคือคำสอนที่เกิดผลได้จริงเนี่ยเป็นอัศจรรย์ปาฏิหารทั้งสามอย่างนี่นะพุทธองค์ก็ยกย่องให้กับอนุสาสนีปาฏิหารอันที่สามเนี่ยประเติดที่สามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากโจนร้ายกลายเป็นอรานเพราะองค์กลีมานเนี่ย เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยส่วนพระเทวทัตไม่มีอุปนิสัยเทพบวชเท่าไหร่ก็ตกนรกเท่านั้นเพราะไม่มีอุปนิสัยพระเจ้าไม่สามารถจะแสดงธรรมโปรดคนที่ไม่มีวิสัยให้บรรลุมหันติพานได้ทำัทำๆไม่ได้พระตกนรกโจรไปเป็นพระอาหารหันต่างกันนะเพราะว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นคําสอนที่ปฏิบัติแล้วได้ผลจริง สามารถเปลี่ยนจิตปิติคนจากโจรร้ายแก่เป็นอทหารได้เนี่ ย, เ, ยเขาเรียกเป็นคำเป็นปฏิหารที่พุทธองค์ละเสริมมากซึ่งทีเดียวเนี่ยคนสมัยนี้ก็ทําได้หลายคนที่มาเจริญสติมาปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปก็มีนะจากทุกขเป็นไม่ทุกขไดเ้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจิตตื่นก็หลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นก็หลายคนเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่มีผลได้จริง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 พักัวกระดูกหักอีกเนี่ยมันมันสาหัสขนาดไหนบางคนลองนวดแล้วหักเลยพอดึงนิ้วโป้งหน่อยกระดูกหักต้องไฟเฟือกก็้นมัเนี่ยมันทุกข์มากแต่พอมาเจอสติเนี่ยสิ่งนั้นมันก็หายไปมันเปลี่ยนชีวิตใหม่มีมุมมองชีวิตที่ดีขึ้นมุมมองชีวิตมองโลกมองอื่นได้ดีขึ้นแต่ก่อนละมองแต่สิ่งที่เลวร้ายแล้วมันไม่ดีนะมันลําบากตรงนี้มันมองข้ามจากว่ามันลําบากเนี่ยกลายเป็น จะพัฒนามันอย่างไรบ้างให้เกิดประโยชน์มันเปลี่ยนมุมมองชีวิตเลยมันมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตนะเนี่ยความรบาดต่างๆอุปสรรคไม่มีมีแต่สิ่งที่เราจะต้องผ่านเท่านั้นเนี่ยการจิตสติเนี่ยสามารถเปลี่ยนทุก์เป็นไม่ทุกอย่างยอดเยี่ยมเป็นอัศจรรย์จริงๆเนี่ยเป็นคําสอนที่ได้ผลจริงเป็นอัลสาสนีปาฏิหารคําสอนที่เกิดผลจริง เนี่ยก็เลยใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยก็มาทำหน้าที่ทำหน้าที่กับทุกคนที่เนี้ ย, ยก็เป็นตัวแทนของพุทธบริษับไม่จำกัดศาสนาไหนก็ได้มาปฏิบัติเถอะมันจะเกิดผลท้งนั้นน่ะก็ทำด้วยศรัทธาทำว่ามันมีคุณค่าสิ่งวันนี้มันก็มีพลังไม่มีอุปสรรคเลยการทำอะไรก็ตามถ้ามอตัอุปสรรคเราจะทำอะไรไม่ได้เลย เรามองข้าอุปสรรคไปป่ะนะบางทีได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ทำํำในที่เราอยากทํามันก็มันก็ดีแล้วมันมีความสุขแล้วมันก็เลยมองไม่เห็นอุปสรรคก็ข้ามไปแต่ที่จะมองว่าโอ้เราเหนื่อยแล้วเกินวันนี้กลับคิดไปว่าโอ้วันนี้เราทํางานได้เยอะเลยเกินเออมันไม่ใช่อุปสรรคนะถ้าเรามองมุมจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นะนะนะนะ คนที่มีปัญหาชีวิตหาถ้าออกไม่ได้ลองจิญสตินะลองจิญสติสติเกิดที่ไหนธรรมะเกิดที่นั่นผู้ตองตัดได้ว่าคนมีสติเท่ากับมีสิ่งนำโชคอยู่ตลอดเวลานะเนี <c> ่ย <oughs> วันนี้ก็เลยมาทำหน้าที่หาเพื่อนมาทำประกันชีวิตด้วยธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะ